วันนี้เป็นวันพระวันพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งให้สัตย า, าติยมพุทธบริษัทให้มาวัดเพื่อมาหัดหาความสุขทางใจจะได้มีความสุขสำรองเพราะว่าความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีถ้าเราไม่มีความสุขทางร่างกายเรายังหาความสุขทางใจได้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจถ้าเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจเวลาเราไม่มีความสุขทางร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ เราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าเศร้าหมองนี่คือวันพระหน้าที่ของวันพระคือวันมาฝึกซ้อมสร้างความสุขทางใจกันสมัยก่อนวันพระตรงกับวันหยุดทำงานของญาติโยมญาติโยมจึงมีการเข้าวัดเป็นจำนวนมากแต่สมัยนี้ วันพระไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของญาติโยมเสียแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคของโลกาพิวัติคือเราเข้าสู่ระบบของนานาชาติเราต้องทำตามนานาประเทศเขานานาประเทศเขามีวันหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราต้องทำ มาค้าขายกับต่างชาติถ้าเราไปหยุดวันที่ไม่ตรงกับเขาก็จะไม่สะดวกในการติดต่อทำมาค้าขายวันหยุดของเราเขาทํางานวันหยุดของเขาเราทํางานก็เลยไม่สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วทางประเทศไทยก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดสมัยก่อนเราจะหยุดวันพระกัน วันโกนกับวันพระวันก่อนวันพระหนึ่งวันแล้วก็วันพระเป็นวันหยุดของทางประเทศไทยต่อมามีต่างชาติเช่นชาวอังกฤษชาวฝรั่งเศสเข้ามาทำการค้าขายกับประเทศไทยทางต่างชาติเขามีวันหยุดตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ทางประเทศไทยก็เลยต้อง ปรับตัวให้เข้ากับต่างประเทศเพราะต้องการพัฒนาต้องการความเจริญทางวัตถุเพราะต่างประเทศเขามีความเจริญทางวัตถุมากเขามีความสามารถสร้างสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆขึ้นมาอำนวยความสุขความสะดวกทางร่างกาย คนไทยเราก็อยากจะเจริญแบบต่างประเทศก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดกันเปลี่ยนจากวันหยุดจากวันพระมาหยุดตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระก็เลยไม่ใช่เป็นวันหยุดอย่างวันนี้บันวันพระแต่ตรงกับวันพุธญาติโยมที่ทำงานก็ต้องไปทำงานกัน ไม่เข้าวัดไม่ได้ถ้าจะเข้าวัดก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่วันเสาร์อาทิตย์วัดก็ปิดวัดไม่ได้เปิดรับไม่มีกิจกรรมที่จะมาบริการญาติโยมชาวพุทธถ้าไปวัดที่ไม่ใช่เป็นวันพระจะไม่พระไม่มีพระมาแสดงธรรมไม่มีพระมาสั่งมาสอน ไม่มีการเจริญภาวนาคือสร้างความสุขทางใจกันญาติโยมก็เลยไม่สามารถาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจกันก็เลยหันไปหาความสุขทางร่างกายกัน พอเวลามีปัญหาทางร่างกายก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะว่าไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็ไม่มีวิธีอื่นมีก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าการมาวัดนี้เพื่อมาเรียนวิธีสร้างความสุขทางใจที่จะเป็นตัว แบ็กอัพความสุขทางร่างกายถ้าเกิดความสุขทางร่างกายสะดุดไม่สามารถมีได้ก็ยังสามารถมีความสุขทางใจได้เหมือนสบายดีรถยนต์มีการใช้เชื้อเพลิงสองสองชนิดด้วยกันใช้น้ํามันกับใช้กา๊าซถ้าเกิดน้ํามันหมด ก็ยังมีกา๊าซทำให้วิ่งต่อไปได้หรือถ้ากา๊าซหมดก็ยังมีน้ำมันหรือถ้าไม่มีกา๊าดก็มีไฟฟ้าออนี้มีสองระบบระบบไฟฟ้ากับระบบน้ำมันถ้าน้ำมันหมดก็ใช้ไฟฟ้าต่อไฟฟ้าหมดก็ใช้น้ำมันอันนี้ความสุขของญาติโยม ตอนนี้มีสองแบบแต่ญาติโยมเลือกเอาแบบเดียวกันส่วนใหญ่จะเลือกเอาความสุขทางร่างกายกันทำงานห้าวันพอเจอวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดก็ไปหาความสุขทางร่างกายกันไปเที่ยวกันไปชอปปิ้งกันไปดูมหัศจรรย์ไปฟังคอนเสิร์ตกัน ก็ทำได้ถ้าไม่มีการสะดุดแต่ชีวิตนี้มันมันต้องมีการสะดุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้เวลาร่างกายไม่สบายก็ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางร่างกายได้หรือเวลาเงินหมด ไม่สามารถไปเที่ยวได้หรือเวลาแฟนไม่อยู่แฟนจากไปอยู่ต้องอยู่คนเดียวก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความเหงาเกิดความ ว, าว้าเวเกิดความเศร้าขึ้นมารพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าเย ช, ชาวพุทธเราศรัทธาญาติโยมกําลังอยู่ ด้วยความประมาทไม่คิดหาความสุขสำรองกันความสุขสำรองนี้ทุกคนสามารถหาได้ทําให้เกิดขึ้นมาได้คือความสุขทางใจถ้าหัดถ้ามาหัดฝึกทําความสุขทางใจสร้างความสุขทางใจอาทิตย์ละหนึ่งวันทาไปบ่อยๆต่อไปก็จะรู้จักวิธี าหาความสุขทางใจได้การหาความสุขทางใจก็เหมือนกับการไปหัดเล่นน้ําหัดว่ายน้ํานี่เองถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นวันเสาร์วั น, วนอาทิตย์วันหยุดทํางานเราก็ไปหัดว่ายน้ํากันอาทิตย์หนึ่งก็ไปหัดครั้งหนึ่งไปหัดบ่อยๆเดี๋ยวก็ว่ายน้ําเป็นเองพ mm hmm. อว่ายน้ําเป็นแล้วสบายไหม เกิดเวลานั่งเรือไปตกน้ำก็จะไม่จมน้ำเพราะว่ายน้าได้ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นถ้าตกน้ำก็จมน้ำตายอันนี้ก็แบบเดียวกันการมาวัดนี่ก็เป็นการมาหัด ส, สร้างความสุขทางใจเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่มีก็ กำลังมากกว่าดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพูดจริงถ้าเราศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าวัดกันในวันพระหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องเข้าในวัดสมัยนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาเข้าในวันหยุดแต่ก็ต้องไปหาวัดที่มีการสอนวิธีสร้างความสุข ทางใจในวันหยุดของญาติโยมเพราะโดยปกติเป็นธรรมเนียมที่ทำมาการเป็นยาวนานทําให้เปลี่ยนยากธรรมเนียมคือพระจะออกมาตอนรับญาติโยมในวันพระทุกวัดนี้พอวันพระจะมีกิจกรรมพระจะจะมาที่ศาลาให้ญาติโยมมาทําบุญใส่บาต แล้วพระก็จะแสดงธรรมสอนธรรมะให้แก่ญาติโยมเฉพาะวันพระเท่านั้นพอเป็นวันอื่นก็จะไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เพราะว่าสมัยก่อนทำอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนวันอื่นก็ไม่มีญาติโยมมาวัดกันสมัยก่อนญาติโยมจะมาวัดก็จะมาเฉพาะวันพระเพราะเป็นวันที่ว่างวันที่หยุดทำงาน ก็เลยทําเป็นประเพณีธรรมเนียมมาแต่พอมีการเปลี่ยนวันหยุดทางทางทางของญาติโยมทางวัดไม่ได้เปลี่ยนตามก็เลยเกิดเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกันในการติดต่อกันวันที่พระออกมาแสดงธรรมก็ไม่มีญาติโยมมาฟังวันที่ญาติโยมจะมาฟังธรรมก็ไม่มีพระออกมาแสดงธรรม สมัยนี้บางวัดก็เลยมีการปรับให้เข้ากับญาติอยู่อย่างที่วัดญาณนี้ก็มีการแสดงธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีกสองวันแล้วก็วันพระอีกวันหนึ่งอันนี้เราไม่ได้คุยแต่เราเป็นคนเริ่มเองที่มาอยู่วัดเมื่อก่อนก็ไม่มีการแสดงธรรมวันเสาร์วอาทิตย์ไม่มีแม้กระทั่งวันพระ เพราะว่ายุคที่สร้างวัดใหม่ๆมีพระที่เทศไม่เป็นก็เลยไม่มีการแสดงธรรมมีแต่การสวดมนต์ให้พรหลังจากที่ญาติโยมใส่บาตรเสร็จแล้วก็ให้พรญาติโยมก็กลับบ้านกันหลังจากรับพรเสร็จเราก็เลยคิดว่ามันไม่ถูกหน้าที่ของวัดของพระนี่ต้องให้ความรู้ ให้ธรรมะก่ญาติโยมเราก็เลยยอมหัดเทศตอนต้นก็เทศไม่เป็นพูดไม่เป็นเหมือนกันก็เลยพยายามพูดไปก็เลยพูดมาตั้งแต่บัด น, นั้นเมื่อก่อนก็จะเทศตอนเช้าสาวอาทิตย์กลวันพักเดี๋ยวนี้มี มีเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสมาอยู่เราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเราเป็นลูกวัดทําหน้าที่ช่วงที่ไม่มีเจ้าอาวาสเราก็ทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าสงฆ์คือมีมีอาบุโศทางพันสาเป็นหัวหน้าก็เลยต้องทําหน้าที่แทนเจ้าอาวาสพอตอนนี้มีเจ้าอาวาส เราก็เลย เ, เราก็เลยถอยออกบอก่อยเปิดให้เจ้าอาวาสเข้ามาทำหน้าทีอา่อันนี้ที่วัดยานตอนเช้าก็จะมีเจ้าอาวาสมาแสดงธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระวันนี้แสดงธรรมหรือเปล่าแสดงใช่ไห เ, เราก็เลยเไปอยู่ที่มุมสงบของเรา แต่เราก็มาแสดงธรรมในตอนบ่ายที่นี่เมื่อก่อนก็ไม่มีการแสดงธรรมทุกวันจะมีก็ช่วงเสารท์ทย์ช่วงที่มีญาติโยมหยุดทำงานแล้วก็มามาฟังธรรมกันต่อมาก็มีญาติโยมเอา YouTube Facebook มาติดตั้ง <c oughs> แล้วก็มาถ่ายทอดสดทุกวัน เราก็เลยต้องมาพูดทุกวันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เดิมทีก็จะพูดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ตอนบ่ายสองโมงพอมีการถ่ายทอดสดทุกวันมีญาติโยมมาเอื้อเฟื้อต่อการถ่ายทอดสดซื้ออุปกรณ์ต่างๆซื้อมือถือซื้อเครื่องขยายเสียงซื้ออะไรต่างๆมาแล้วก็เสียจระเวลา มาตั้งกล้องมาถ่ายทอดเราก็เลยถูกบังคับโดยโดยปริยายเรียกว่าธรรมะจัดสรรไม่ได้เป็นการคิดขึ้นมาด้วยตัเองว่าจะมาเทศมาสอนญาติโยมทุกวันอย่างที่เป็นอยู่แต่ก็ทำเพราะว่ามีญาติโยมมากันทุกวันมีญาติโยมที่สนใจธรรมะ ถึงแม้จะไม่มากวันธรรมดาก็ประมาณสามสิบสี่สิบคนวันเสาร์วันอ า, าทิตย์ก็ประมาณร้อยกว่าคนแต่ทางบ้านก็มีประมาณสี่ห้าร้อยห้าหกร้อยคนที่ติดตามทาง Facebook, YouTube อยู่ทุกวันก็เลยทำให้ต้องมาพูดธรรมะทุกวันอันนี้ก็ยินดี ถ้ามีคนติดตามมีคนอยากจะฟังเอเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของพระพระมีหน้าที่สอนญาติโยมสอนธรรมะแก่ญาติโยมเพื่อการเป็นการตอบแทนบุญคุณของญาติโยมที่อุปถัมอพระอุปถัมวัดด้วยปัจจัยสี่อาหารได้มาจากบิณฑบาตเอ กุติโบดวิหารเจดีศาลาก็ได้จากการเสียสละของศรัทธาญาติโยมบอิจากเงินกันสร้างวัดกันขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นการตอบแทนต่อกันละกันญาติโยมก็ดูแลพระเนนด้วยปัจจัยสี่พระเนนก็ดูแลญาติโยมด้วยการสั่งสอนธรรมะอันนี้เป็นวิธีที่ พระเนนกับศรัทธาญาติโยมปฏิบัติต่อกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสแสดงธรรมทุกวันพระพุทธเจ้ามีกิจประจาวันอยู่ห้าหกิจด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจห้าตอนเช้าก็ทรงออกบิณฑบาตตอนบ่ายอย่างตอนนี้ก็จะสั่งสอนธรรมสแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยม ตอนค่าก็แสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรนะตอนดึกก็แสดงธรรมให้กับเทวดาเชื่อไหมว่ามีเทวดาเชื่อไหมว่าพุทธเจ้าสามารถติดต่อกับเทวดาได้คือกายทิพย์คือพวกที่ไม่มีร่างกายมีแต่จิตใจมีแต่ดวงวิญญาณเราเรียกว่าเทวดาพวกกายทิพย์ ตรนี้ก็มีพวกที่สนใจธรรมะก็จะมาฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าทุกคืนแล้วตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกวินดาบาดก็จะทรงเรงยงญาณดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษถ้าเห็นว่าคนไหนสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในวันนั้นหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เขาต้องเสียชีวิตไปก่อน ก็มุ่งไปช่วยเหลือคนนั้นก่อนให้เขาได้ธรรมะก่อนที่เขาตายถ้าไม่ได้ไปแสดงธรรมเขาตายแล้วเขาจะไม่มีโอกาสได้รับรู้ธรรมะไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายนานๆานจะมีพระพุทธเจ้าองค์มาตัดสรูปมาสอนธรรมะสักครั้งหนึ่ง ดังนั้นถ้าพระ อ, องค์ทรงเห็นว่าจิตใจของใครมีความพร้อมที่จะรับธรรมะและอาจจะมีอายุที่จะต้องสิ้นไปในเวลาในระยะเวลาอันใกล้อันนี้พระ อ, องค์ก็จะมุ่งไปโปรดเขาก่อนไปช่วยเขาก่อนไม่สั่งไปสอนธรรมะถ้าเขาได้มีดวงตาเห็นธรรมหรือได้บรรลุธรรมเขาก็จะได้อ่า หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญต่อการแสดงธรรมวันวันหนึ่งนี้จะแสดงธรรมสี่ครั้งด้วยกันตอนบ่ายตอนค่ำตอนดึกแล้วก็ตอนตอนที่ตอนกลางวันเป็นกรณีพิเศษเป็นลายลายไปเพราะธรรมะนี้มีคุณค่ามหาศาลต่อจิตใจ จิตใจในี้ต้องพึ่งธรรมะพึ่งร่างกายไม่ได้พึ่งได้ก็พึ่งไม่ถาวรพึ่งได้ตามที่ร่างกายจะให้พึ่งเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็พึ่งได้ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆได้แต่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายใจิตใจก็จะไม่มีที่พึ่ง ถ้าพึ่งร่างกายแต่ถ้าจิตใจมาพึ่งธรรมมาพึ่งการปฏิบัติธรรมจิตใจก็สามารถมีที่พึ่งไปได้ตลอดเวลาเพราะธรรมนี้ไม่ได้เป็นเหมือนร่างกายทําไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมถ้ามีอยู่ในใจแล้วจะอยู่ไปเรื่อยๆกับใจจะไม่สูญหายไปจากใจถ้าเราฝึกเราปฏิบัติธรรม เราสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาในใจเราธรรมก็จะอยู่กับใจเราเป็นที่พึ่งของเราที่เราเรียกว่าธรรมังสารนังกัฉามินี่ธรรมนี้เป็นที่พึ่งของใจเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่เราสามารถพึ่งได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ตาม ถ้าเรามีธรรมแล้วธรรมจะให้ให้ความสุขกับเราได้ถ้าเรามีธรรมเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้คือเรื่องของวันพระให้เราได้มาหัดหาความสุขจากธรรมะกันจากการปฏิบัติธรรมกันเหมือนมาหัดว่ายน้ํากัน ต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายก็เหมือนเวลาที่เราตกน้ำํำร่างกายเปรียบเหมือนเรือใจอาศัยร่างกายเอ่ออยู่ในเรือถ้าเกิดเรือมันล่มนีใจก็ต้องว่ายน้ําเองถ้าว่ายน้ําไม่เป็นก็จมน้ำํำความจมน้ําของของใจก็คือทุกข์ทรมานใจอบางคนเวลาแก่นี่ ทุกจยกระทั่งไม่อยากจะอยู่ต้องฆ่าตัวตายกันเดี๋ยวนี้ประเทศที่จเจริญเขากลับมาคิดแบบคนไม่ฉลาดคิดหาวิธีฆ่าตัวตายกันอย่งถูกกฎหมายเดี๋ยวนี้พยายามาหาหาคนมาลงคะแนนกันให้ออกกฎหมายอนุญาตให้ฆ่าตัวตายได้ให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้ เพราะว่าเวลาแกแล้วถูกโรคที่รักษาไม่หายจะทุกข์ทรมานมากจะไม่อยากอยู่แต่หมอนี่เขาเรียนมาเพื่อช่วยชีวิตเขาไม่ได้เรียนมาเพื่อทาลายชีวิตกฎหมายก็ไม่สนับสนับไม่สนับสนุนให้คนเรามาฆ่ากันสนับสนุนให้มาช่วยกันแต่คนที่มีโรคที่รักษาไม่หายนี่มันทุกข์ทรมานใจ เพาะไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจนั่นเองถ้ารู้จักวิธีหาความสุขทางใจนั้นไม่ต้องไม่จะไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะถึงแม้ว่าจะมีโรคภัยอร้ายแรงขนาดไหนรักษาไม่หายก็ตามแต่ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะสุขจะสงบมีความสุขทับกลางความทุกข์ของร่างกายเอ อันนี้แหละคือความเจริญของทางโลกเจริญไปในทางเสื่อมโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าเป็นการเจริญกันคิดว่าการออกกฎหมายมาให้หมอฆ่าคนได้นี้เป็นความเจริญกัน mm hmm. เพราะเป็นการสงสารฆ่าคนด้วยความสงสารที่เขาชอบพูดเรียกว่า mercy killing ฆ่ากันด้วยความเมตตาไม่เมตตาหรอกถ้าฆ่ากันไม่มีความเมตตา ถ้าจะเมตตาจริงๆต้องสอนให้เขามีความสุขทางใจให้ได้ถ้าสอนให้เขามีความสุขทางใจได้ชีวิตเขาก็ยังมีความสุขต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าตัวตายแต่เขาไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกันนั่นเองพอเวลาเขาแก่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะทุกข์มากจนเขาไม่อยากจะอยู่ต่อไปอยากจะฆ่าตัวตายกัน ประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเป็นแบบนี้มีอัตตาการฆ่าตัวตายมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนไปพึ่งร่างกายอย่างเดียวไม่เคยเข้าวัดกันไม่รู้ว่าวิธีสร้างที่พึ่งทางใจทำอย่างไรกันพอที่พึ่งทางร่างกายพึ่งไม่ได้ก็ไม่มีที่พึ่งก็คิดฆ่าตัวตายกัน บางทีค่าตัวตายตั้งแต่อายุยังยังไม่ทันแก่ก็มีคนหนุ่มคนสาวค่าตัวตายกันเพราะว่าเสียใจผิดหวังไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายไดออ้บางทีอยากได้อะไรไม่ได้ก็ผิดหวังค่าตัวตายเดียวนี้แม้แต่สอบเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้บางทีก็ค่าตัวตาย เ, ออเพราะความผิดหวังความเสียใจ ไม่สามารถหาความสุขตามที่ต้องการได้ก็เลยคิดอยากจะฆ่าตัวตายหรือบางคนได้แฟนมาแล้วแฟนเลิกแฟนทิ้งก็เสียใจก็ฆ่าตัวตายมันเป็นผลที่เกิดจากการไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ทั้งนั้นนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความสุขหาความสุขจากทางร่างกายไม่ได้ เแล้วไม่รู้ว่าจะหาความสุขทางอื่นได้อย่างไรก็เลยก็เลยต้องฆ่าตัวตายพราะคิดว่าเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดอย่างน้อยความทุกข์มันจะได้หมดไปแต่มันก็หมดเดียวเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาเจอปัญหาแบบเดิมเพราะเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาพึ่งร่างกายใหม่ แล้วพอผิดหวังไม่สามารถเครื่องร่างกายใหม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายใหม่เขาเลยพูดว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยครั้งเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยมันจะเป็นนิสัยพอมีปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายแล้วพอกลับมาเกิดใหม่มันก็ต้องเจอปัญหาทั้งนั้นแะโลกนี้มันมีปัญหามันจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วท่านั้นเอง มันจะต้องมีความผิดหวังจะต้องมีความเสียใจแล้วพอแก้ปัญหาไม่ได้ก็แก้ด้วยการฆ่าตัวตายแต่คนที่เคยเข้าวัดนี้จะรู้จักวิธีแก้ปัญหาทางใจได้จะไม่ต้องฆ่าตัวตายเพียงแต่ไปทำใจให้สงบใจก็หายทุกข์แล้วหรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณาดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไร ปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้หรอกมันเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้ดังใจก็เป็นปัญหาขึ้นมามแล้วก็ก็เลยไม่รู้จะกแก้ปัญหาอย่างไรก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายเป็นการแก้ปัญหาไปอันนี้แหละ ต่อไปจะคอยดูเแต่คนจะฆ่าตัวตายกันมากขึ้นไปเรื่อยๆว่าไม่มีใครสนใจที่จะเข้าวัดกันที่จะมาหาความสุขทางใจกันแล้ววัดก็มีปัญหาเหมือนกันว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สอนให้มาหาความสุขทางใจสอนได้ก็เพียงแต่ให้ทําบุญอย่างเดียวการทําบุญก็เป็นการสร้างความสุขทางใจแต่เป็น เป็นความสุขทางใจน้อยที่น้อยมากและไม่พอเพียงต่อการที่จะแก้ปัญหาของใจได้การจะแก้ปัญหาของใจได้อย่างถูกสมบูรณ์นี้ต้องแก้ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตภาวนาการเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทานกับศีลนี้เป็นเพียงการสนับส น, นุน ให้ได้เกิดการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าถ้าทาบุญอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทางใจได้เวลาที่ไม่สามารถพึ่งร่างกายได้จะไม่มีที่พึ่งต้องมาภาวนาต้องสอนใจให้ทำให้สร้างความสุขทางใจให้ได้ถ้าสุขถ้าใจสามารถสร้างความสุขทางใจได้แล้วนั่นนหะ ถึงจะมีที่พึ่งเวลาความสุขทางร่างกายเกิดการสะดุดขึ้นมาไม่สามารถที่จะหาได้ก็มาหาความสุขทางใจกันไปอยู่วัดทักสามวันห้าวันเดี๋ยวก็หายหายทุกไปทำใจให้สงบพอพอมีพอมีความสุขแล้วก็จะคิดแบบมีเหตุมีผลหรือว่าอะไรเป็นอะไร ควจะทาอย่างไรก็กลับไปแก้ปัญหาได้ปัญหาได้แก้ส่วนหนึ่งแล้วคือที่ใจอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ร่างกายถ้าปัญหาทางร่างกายแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับไปก็ได้อยู่วาดไปเรื่อยบวชไปเลยก็ได้พอกลับไปเดี๋ยวก็ต้องเจอปัญหาอยู่เรื่อยปัญหาทางร่างกายนี้มันไม่มีวันหมดมันมีปัญหาโผล่ขึ้นมาเรื่อย พราะมันมีเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆวันนี้สิ่งนี้ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวอีกไม่กินอีกไม่นานก็ไม่ให้ความสุขกับเราแล้วเสียแล้วทีวีดูไปสักพักเดี๋ยวก็เสียแล้วเรือเงนินที่จะจ่ายค่าทีวีไม่มีจ่ายก็ดูไม่ได้แล้นะอออันนี้มันจะมีปัญหามาเรื่อยๆถ้าเราหาความสุขทางร่างกายเอ แต่ถ้าเราหาความสุขทางใจนี้จะไม่มีปัญหาเพราะความสุขทางร่างกายไม่ต้องใช้อะไรมาให้ไม่ต้องใช้อะไรที่อยู่นอกตัวเราเราอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราในใจเรานี้สร้างความสุขขึ้นมาเราอาศัยสติเ อ, อควบคุมความคิดหยุดความคิดเนะพอเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความไม่สบายใจต่างๆก็จะหยุดไปชั่วคราวเอ เราก็ไม่ต้องไปหาไปแก้อะไรไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปหาเงินก็ได้ถ้าหาเงินมาเที่ยวไม่ได้ก็ไม่ต้องเที่ยวมันอยู่บ้านนั่งสมาธิทาใจให้สงบไปก็ได้พอใจสงบก็มีความสุขได้แฟนจะทิ้งเราไปก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่บ้านของเราได้นั่งสมาธิไปก็ได้ไม่ต้องไปหาแฟนคนใหม่ก็ได้หาใหม่เดี๋ยวก็ทิ้งเราอีกหามากี่คนเดี๋ยวก็เลิกกันอยู่ดี ต้องเลิกกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเขาไม่เบื่อเราเราก็เบื่อเขาเอื่อไม่เชนั้นเขาก็เขาตายจากเราไปมันต้องมีการจากกันอยู่ดีฉะการหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์ห้อมล้อมด้วยความทุกข์ความทุกข์พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่ทุกเวลาพอเกิดอะไรนิดอะไรหน่อยความทุกข์ก็เข้ามาแล้ว อยู่กับแฟนดีๆเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันขึ้นมาความทุกข์ก็โผล่เข้ามาแล้วอันนี้ล้หรืออยู่ดีๆแฟนทิ้งเราไปจากเราไปไปชอบคนอื่นความทุกข์ก็เข้ามาทันที น, นี่คืออย่าไปหาความสุขทางร่างกายมาเปลี่ยนความสุขกันดีกว่ามาหาความสุขทางใจกันมาหาความสุขด้วยการปฏิบัติธรรม ทำที่เราต้องปฏิบัติข้อแรกก็คือสติด้วยการสนับสนุนของศีลทําไมเราต้องมีศีลศีลที่ศีลก็คือข้อห้ามที่จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองคือศีลแปดศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราไปนอนกับแฟนถ้ามีแฟนก็ไม่ให้นอนใ ห, ให้พักชั่วคราววันที่มาหาความสุขทางใจนี้ ต้องพักการหาความสุขทางร่างกายไม่นอนหลับกับแฟนไม่กินอาหารมากเกินไปไม่กินอาหารตามความอยากกินตามความจำเป็นกินอาหารแบบกินยาถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็ไม่กินถ้าถึงเวลากินค่อยๆกินพรจะพุทธเจ้าสอนให้พัค ก, กินวันละหนถ้าเป็นญาติโยมก็ ถ้ายังกินวันละหนไม่ได้ก็เอาสองหนก็แล้วเช้ากับกลางวันหลังจากนั้นแล้วไม่ต้องกินนะพอแล้วน่่งกายอิ่มอยู่ได้นะไม่ตายอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนจะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจถ้ายังมามัวกินอยู่เดี๋ยวต้องรอถึงเวลาเย็นก็ต้องกินอีกลนะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะง่วงนอนอย่างละกินอิ่มแล้วก็จะนอนจะขี้เกียจ จะให้มาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติยากไม่อยากจะปฏิบัติเลยต้องให้กินน้อยๆไม่ให้กินมากจนเกินไปไม่ให้อิ่มมากเกินไปกินพอไม่ให้หิวก็พอกินเพื่อดับความหิวความหิวนี้เป็นเหมือนกับโรคอย่างหนึง่งเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วแเราก็กินยาเพื่อดับโรคภัยไข้เจ็บความหิวก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บ เราก็กินอาหารเพื่อดับความหิวพอไม่หิวแล้วก็พอไม่ต้องกินให้มันอิ่มพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกินแล้วมันจะทำให้ตัวเบาเวลาจะมาปฏิบัติธรรมก็จะสบายไม่อึดอัดถ้ากินแล้วอิ่มมันจะหนักร่างกายมันจะหนักจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธินี้จะลำบากพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ไม่ให้กินมาก ถ้าไม่กินมื้อหนึ่งถ้าสองมื้อก็ไม่ไม่ไม่เกินหนังเที่ยงวันไปแล้วไม่กินหนังเทียเเท่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะได้มีเวลาปฏิบัติไปจนถึงเวลานอนเลยถ้ายังมากินอาหารเย็นอยู่ก็ต้องมานั่งรอกินอาหารเย็นก่อนช่วงที่รอก็อาจจะไปเอ่อไปเล่นไปดูหนังไปฟังเพลงก่อนเนี อันนี้ก็เลยห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางร่างกายหนังก็ไม่ให้ดูละครก็ไม่ให้ดูเพลงก็ไม่ให้ฟังไม่ให้ไปปาร์ตี้ไม่ให้ไปงานเลี้ยงไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเสียเวลาต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวทำหน้าทำผมทำอะไรเพื่อที่จะได้ออกไปเที่ยว อันนี้ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมเหล่านี้จะได้ไม่เสียเวลาจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมเออนอกจากนั้นเวลานอนก็ให้นอนน้อยๆไม่ให้นอนมากเกินไปนอนพอพักผ่อนหลับนอนทางร่างกายก็พอความต้องการของร่างกายพักผ่อนถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้คืนละสี่ห้าชั่วโมงก็พอ วิธีที่จะทำให้นอนไม่มากก็เกิดต้องนอนบนพื้นที่บนเตียงที่ไม่ไม่ไม่สบายอย่าไปนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาะหนาะให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งแข็งหรือนอนบนพื้นปู ด, ด้วยเสือ่อปู ด, ด้วยผ้าเวลาร่างกายเมื่อย่วงนอนมันหลับเองเนี่ยแล้วพอมันพอมันพักผ่อนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่นั่งไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบาย ถ้ามันนอนบนที่แข็งๆมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนตื่นข้มานะใจยังไม่อยากลุกใจขอต่ อ, อสองสามชั่วโมงเดีย๋ยวนี้ทำไมถึงต้องมานอนบนบนพื้นแข็งๆไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ พาอมันสบายเกินไปมันจะทำให้ไม่อยากตื่นอยากจะนอนไปเรื่อยๆอยนี่คือหน้าที่ของศีลเพื่อห้ามให้ใจไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางร่างกายไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองศีลแปดนี้จะมาห้ามแล้วก็จะได้มีเวลาม า, าสร้างความสุขทางใจใจจะมีความสุขได้ต้องหยุดคิดหยุดอยาก ถ้าหยุดคิดหยุดอย่างแนละ้วความสุขใจจะปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่มีภัยเวลามันหมดไปก็ไม่ทําให้เรารู้สึกเดือดร้อนอะไรแล้วถ้าเราต้องการเมื่อไหร่เราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราสร้างเป็นแล้วเราก็สามารถสร้างความสุขทางใจได้ตลอดเวลาเวลา เวลาอยากจะมีความสุขทางใจเราก็นั่งหลับตาใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราทำได้เดี๋ยวจิตก็สงบสงบแล้วเราก็จะนั่งเฉยๆไปได้นานบางทีเป็นชั่วโมงเลยสบายเย็นมีความสุขแล้วก็เวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับนอนหลับ พอตื่นขึ้นมาหมดไปแล้วต้องหลายชั่วโมงแต่ต่างกันต่างจากตอนที่นอนหลับคือมันมีความสุขตอนนอนหลับไม่มีความสุขมันมันเ ฉ, เฉยเฉยเวลานอนหลับแต่เวลานั่งสมาธิแล้วถ้าไม่หลับนี่มันจะมีความสุขมากใจจะเบาใจจะเย็นใจจะว่างใจจะไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกวนแล้วหลังจากออกสมาธิก็ยังจะเย็นต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง เป็นเหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราออกมาจากตู้เย็นความเย็นมันไม่หายไปทันทีมันค่อยๆหายไปทีละนิดทีละหน่อยออกจากสมาธิแล้วใจก็เย็นเห็นใครก็เฉยๆไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไม่กังวลไม่ห่วงเขาเฉยๆดูไปรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าออกมาสักพักมิเดี๋ยวก็ ถ้าเริ่มมีความอยากใจก็จะเริ่มน้อนขึ้นมาถ้าเริ่มไปกังวลเริ่มไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะเริ่มมีความกังวลขึ้นมาหรือถ้าไปทำตามความอยากมันก็จะทำให้ใจไปติดกับสิ่งที่อยากแล้วก็จะไปทําอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถทําได้พอไม่ทําไม่ได้แล้วทีนี้ก็เสียใจทุกข์ใจ แต่คนที่ฉลาดถ้าออกมาแล้วต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปทําตามความอยากนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปเจอความผิดหวังเจอความเสียใจถ้าไม่อยากจะผิดหวังไม่อยากจะเสียใจอย่าไปทําตามความอยากดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขถ้าความสุขที่ได้จากสมาธิมันหมดไปก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ถ้าน้ำเย็นที่เราดื่มมันหายเย็นแล้วเราก็เอาน้ากลับเข้าไปแช่ใหม่ เดี๋ยวพอมันเย็นแล้วก็เอามาดื่มใหม่ได้เอใจเราก็เป็นเหมือนน้านี่นะที่เราต้องเอาคอยเอาเข้าตู้เย็นอยู่เรื่อยๆตู้เย็นของใจก็คือการเข้าสมาธินีเ่เวลาเข้าสมาธิแล้วใจเราเย็นใจเราสบายมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่กังวลกับใครทั้งนั้นใครจะเป็นใครจะตายเรื่องของเขาเราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาตายเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าออ เขาจะดีเขาจะช่วยเราไปทาอะไรให้เขาไม่ได้หรอกเขาต้องช่วยตัวเขาเองอันนี้มันจะทําให้เราปล่อยวางได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับใครไม่วุ่นวายกับใครถ้าเราวุ่นวายไปแล้วออกจากสมาธิการใช้ปัญญามาสอนมาเราทาอะไรให้เขาไม่ได้หรอกทาได้ก็เพียงแต่ทางร่างกายเท่านั้นเองช่วยเขาได้ทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี่เราช่วยเขาไม่ได้ เขาไม่มีข <fluffy>. ้าวกินแล้วให้ข้าวเขากินได้เขาเขาากินข้าวอิ่มแล้วเขายังไม่สบายใจก็ช่วยไม่ได้เพราะความไม่สบายใจมันไม่ได้เกิดจากการมีข้าวกินแล้ไม่มีข้าวกินความไม่สบายใจของเขาเกิดจากที่ใจเขาไม่สงบนั่นเองก็ต้องสอนให้เขารู้จากวิธีทำใจให้สงบสอนให้เขาหยุดความอยากความอยากนี้ทำให้ใจไม่สบายถ้าทำใจให้สงบได้ความอยากก็จะหยุดไป แล้วกวามไม่สบายใจก็จะหายไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะทำต่อไปหลังจากที่เรารู้จักทำให้เรามีความสุขในใจแล้วเราจะช่วยเดี๋คนได้มากเพราะมีคนมากที่ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกันแล้วถ้าเขารู้วิธีหาความสุขทางใจเขาจะดีใจมากเขาจะ เขาจะเคารพนับถือคนที่สอนเขามากทุกคนที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี่เคารพนับถือพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าไม่มีใครที่จะสอนอย่างพระพุทธเจ้าได้ไม่มีใครที่จะช่วยให้ใจเขามีความสุขได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ช่วยเขาก่อนที่เขาพบก่อนที่เขาจะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เขามีความทุกข์อยู่เรื่อย ถึงแม้ว่าเขาจะหาอะไรต่างๆมาได้มากมายเท่าไหร่ความทุกข์ในใจของเขาก็ไม่หายไปสักทีหาเงินได้มากี่ล้านเดี๋ยวความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาหาดหาแฟนมาได้กี่คนเดี๋ยวความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาไปเที่ยวที่ไหนกี่ครั้งกี่หอนเดี๋ยวกลับมาบ้านความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันมีมาอยู่เรื่อยๆสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่คอยมา มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านและการปฏิบัติตามคำสอนที่จะทำให้เราสามารถหยุดความทุกข์ต่างๆที่ใครมาเหยียบย่ทำทาลายจิตใจของเราได้จะทำให้เราอยู่แต่มีแต่ความสุขภายในใจเพียงอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการได้พบกับคำสอนหรือได้ฟังความสอนจากพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้รับประโยชน์นี้จะเคารพพระพุทธเจ้ามากจะกราบพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจพราไม่มีใครในโลกนี้ที่จะทำอย่างสิ่งที่พระพุทธเจ้าทาทาให้กับพวกเราได้คือช่วยสอนให้เรากาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราเลยชีวิตของเราทุกคนนี้อยู่ไปเพื่ออะไร อยู่เพื่อหาความสุขอยู่เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดมาแต่ความสุขต่างๆที่เราหาได้ความทุกข์ต่างๆที่เรากำจัดไปมันไม่หายไปสัทีไอ้ความสุขที่หามาได้ก็มาได้เดี๋ยวๆเดี๋ยวก็หายไปแล้วแล้วพอมันหายไปความทุกข์ก็มันก็เข้ามาแทนที่ทุกที ทำยังไงก็เจอปัญหาแบบนี้ปัญหาไม่ได้หายไปจากการมีลาบยศสรรเสริญมีเงินเป็นล้านล้านพันล้านก็ยังมีปัญหาอยู่มีตำแหน่งสูงใหญ่เป็นประธานาธิบดีก็ยังมีปัญหามีความทุกข์ทางใจอยู่ได้รับรางวัลนต่างๆรา ง, งวัลโนเบลรางวัลเหรียญทองโอลิมปิก ความทุกข์ทางใจก็ยังมาอยู่ไม่เชื่อไปถามพวกที่เขารับรางวัลเหล่านี้ว่ายังมีความทุกข์ทางใจอยู่หรือเปล่าออมีทั้งนั้นเนะีเออ่อไม่ว่าจะไปเที่ยวรอบโลกกี่ครั้งกี่หนไปอยู่โรงแรมห้าดาวออกี่ครั้งกี่หนความทุกข์มันก็ยังกลับมาหาเราอยู่ออมันไม่หายไปมันไม่หมดไปแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันก็หายไปหมดแล้วเป็นเหมือนควันไฟใช่ไหม มาเดีย ว, เ, ยวเวลาได้รับรางวัลโอดีใจเลี้ยงฉลองกันไปสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวพอผ่านไปก็หายไปหมดละได้รับตำแหน่งก็ดีใจได้เงินมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็เข้ามาล้วัอนนะคนถึงเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสอนให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถสอนเราได้ ต่อให้ได้รับรางวัลต่อให้เรียนจบปริญญาเอก PhD ก็ยังสอนคนอื่นไม่มีความทุกข์ได้เพราะตัวเองก็ยังมีความทุกข์อยู่คนจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกก็ยังมีความทุกข์อยู่ด็อกเตอร์บางคนก็ยังติดคุกติดตารางก็มีด็อกเตอร์บางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่มีการฆ่าตัวตายไม่มีการติดคุก วิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเป็นพิธีวิธีที่จะให้เราพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรพ้นแบบที่ไม่ต้องกลับมามีความทุกข์อีกต่อไปวิธีฆ่าตัวตายก็เป็นวิธีกำจัดความทุกข์แต่กำจัดชั่วข้าวเพราะเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวก็มาเจอความทุกข์แบบที่เราเจอกันอยู่ในขณะนี้ใหม่ วิธีที่จะกำจัดความทุกข์อย่างถาวรต้องไม่กลับมาเกิดไม่มีใครรู้จักวิธีทำยังไงไม่ให้กลับมาเกิดก็มีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละที่เป็นผู้รู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่กลับมาเกิดเ ป, เป็นวิธีเดียวกับการที่เราจะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปเพราะพระองค์ทรงคนพบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา และอะไรเป็นสาเหตุที่จะพาให้เรากลับมาเกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆสิ่งนั้นก็คือตัณหาความอยากนี้เองที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบในพระอริยสัจสี่ทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากสมุทัยคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยาก มีความสุขทางตาหูจมูกล right? ิ้นกายภาวะตัณหาก็คือการอยากมีความสุขจากการได้เป็นได้เป็นนั่นได้เป็นนี่หรือได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มาวิภาวะตัณหาคือการมีความสุขจากการที่ไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งนี้พอเจอสิ่งที่เป็นทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเจอความแก่ก็อยากให้มันหายไปเจอความเจ็บก็อยากจะให้มันหายไป แต่พอไม่หายใจกันเราก็ทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเราต้องาหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเวลาเราหาไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากไปเป็นนั่นเป็นนี่พอเราไม่ได้เป็นเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเด็กที่ฆ่าตัวตายเพราะอยากจะเข้ามาหาวิธีอะไรแล้วเข้าไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายอย่างนี้ อย่างนี้หรือว่าไม่ฆ่าตัวตายก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงคนพรความอยากสามตัวนี้แหละคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ใจกันไม่เชื่อลองสังเกตดูเวลาใดที่เรามีความไม่สบายใจนี้ลองค้นดูดูมันเกิดจากอะไรมันก็ไม่สบายใจเพราะเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ ด้วยบางทีอยากไม่ให้เขามายุ่งกับเราแต่เขาก็ชอบมายุ่งกับเราอยู่เรื่อยคนที่เราปฏิเสธไม่ได้เช่นคนใกล้ตัวเราลูกเราภรรยาเราบิดามารดาเราเราไม่อยากจะยุ่งกับเขาแต่เขามายุ่งกับเราเราก็ทุกข์แล้วเพราะเราไม่อยากให้เขามายุ่งกับเราที่เราทุกข์เพราะไม่อยากให้เขายุ่งกับเราแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่รู้จักวิธีเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความไม่อยาก ถ้าเรารู้แเราก็ทําใจเฉยๆไปเขาจะมายุ่งเขาปล่อยเขายุ่งไปเราทําอะไรได้ให้เขาก็ทําไปทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องทํานั่นนี่มันก็จบะมันก็ไม่ยุ่งแต่เราทําใจไม่ได้บางทีเราเกรงใจเขาเรากลัวว่าถ้าเราไม่ทําให้เขาแล้วเราจะไม่ดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวยิ่งคิดไปยิ่งคิดมาก็ยิ่งยุ่งใจใหญ่ไม่รู้จะหา วิธีการอย่างไรวิธีการก็ต้องอย่าไปอยากเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเราทําอะไรให้เขาได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ปล่อยให้มันไปใครเขาจะดา่าเราเขาจะว่าเราก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราถ้าเราหยุดความอยากได้ทําใจให้เฉยเฉยไม่ให้มีความอยากให้เขา พอใจกับพอใจรักเราชอบเราไม่มีความอยากไม่ให้เขาเกลียดเราเขาจะเกลียดก็ปล่อยเขาเกลียดไปเขาจะรักก็ปล่อยเขารักไปไม่ใช่เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจให้เราไม่ทุกข์กับเขาได้แต่ตอนนี้เราทุกข์กับเขาเวลาเขาเกลียดเราเราก็ทุกข์เราก็เสียใจเวลาเขาไม่รักเราเราก็เสียใจเพราะเรายังอยากให้เขารักเราเรายังอยากไม่ให้เขาเกลียดเรานั้นเอง ถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราแล้วก็มาหยุดใจเราอย่าไปอยากให้เขารักเราอย่าไปอยากให้เขาไม่เกลียดเราปล่อยให้เขาเกลียดเราปล่อยให้เขาไม่รักเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอันนี้คือปัญญาไม่มีใครรู้ปัญญาอันนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าทำไมพวกเราจึงมีความทุกข์ใจก็เพราะเรายังมีความอยากสามข้อนี้อยู่ ยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่พอไม่สามารถหาได้ก็ทุกข์ยังอยากมีอยากเป็นอยู่พอไม่ได้มีไม่ได้เป็นก็ทุกข์ยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พออยากไม่ได้ก็ทุกข์แล้วก็อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้พออยากไม่ได้ก็ทุกข์อีกเช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอห้ามมันไม่ได้ก็ทุกข์อีก แต่ถ้าจะไม่ทุกข์ก็หยุดความอยากเสียอยู่เฉยๆเพราะว่าเราไปทําอะไรไม่ได้ร่างกายเราก็ไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้มันจะแก่เจ็บตายก็ต้องอยู่กับมันไปคนนู้นคนนี้จะเกลียดเราหรือจะไม่ชอบเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเกลียดไปเราก็อยู่ของเราไปความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อย่าไปหาเหมือน มาหาความสุขทางใจแทนมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแทนเวลาอยากจะกินกาแฟก็กินน้ำเปล่ากินเสร็จแล้วก็ไปนั่งสมาธิดีกว่าดื่มกาแฟน้ำเปล่าน่างกายต้องการน่่งกายเวลาหิวน้ำต้องให้น้ำมันกินแต่ไม่ต้องให้กาแฟมันถ้ากาแฟถ้าต้องการความสุขทางกาแฟซื้อเอาความสุขทางสมาธิดีกว่าดื่มน้าเสร็จแล้วก็ไปนั่งสมาธิแทน ง่ายกว่าดื่มน้ําไม่ต้องต้มน้ําไม่ต้องมีอกาแฟ f, ไม่ต้องมีน้ําตาลไม่ต้องมีนมไม่ต้องมีอะไรดื่มแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ไปนั่งพุทโธพุทโธจะได้ความสุขมากกว่ามานั่งชงกาแฟมาดื่มกาแฟาวความสุขกาแฟแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวก็หมดละพอหมดแก้วความสุขนั้นก็หายไปละนั่งสมาธินี่สุขได้นานกว่านั่งได้นานกว่าอันนี่คือเรื่องของ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐที่เหนือกว่าคำสอนของทุกคำสอนที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีคำสอนของใครที่จะส า, สามารถสอนให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆไม่มีคำสอนอะไรที่จะทำให้เราหยุดการกลับมาเกิดได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือพระอริยสัจสีเนี่ยให้เราหยุดความอยากเสร็จแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย แล้วเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับการผิดหวังเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราจะมีความสุขตลอดเวลาด้วยการทําใจให้สงบด้วยการทําใจให้ไม่มีความอยากหยุดความอยากฝืนความอยากถ้าไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปเราจะอยู่เฉยๆไปได้จนวันตาย พอตายแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกไม่ต้องมามีร่างกายอีกเพราะขณะที่อยู่ก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแนละ้วถ้าเราไม่มีความอยากไม่เคยอยากไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยไปอยากดูไปฟังอะไรไม่เคยอยากจะไปให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เฉยๆมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรอันนี้เกิดจากการมาถือศีลแปดอยู่วัดในวันพระ มาหัดนั่งสมาธิมาหัดเจริญสติพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดคอยกำจัดความอยากต่างๆด้วยการฟังเทศฟังธรรมบ้างด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างสลับกันไปทํากันไปอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะรู้จักวิธีสร้างสติรู้จักวิธีนั่งสมาธิรู้จักวิธีใช้ปัญญา พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วทีนี้เราก็จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้ต่อไปเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรนั่งเฉยๆก็มีความสุขได้เหมือนที่เมื่อวานนิยมถามว่าทำไมพระพุทธเจ้านั่งเฉยๆแล้วยิ้มได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากได้อะไรนั่น นั่งเฉยๆก็ยิ้มได้ตอนนี้โยมก็นั่งยิ้มได้เพราะตอนนี้โยมไม่มีความอยากอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีความอยากดื่มกาแฟหรือสูบบุหรี่เนี่ยิ้มไม่ออกนะจะเครียดขึ้นมาแล้วจะต้องไปหากาแฟดื่มให้ได้จะต้องหาบุหรี่มาสูบให้ได้แต่ถ้าตอนไหนไม่มีความอยากก็นั่งยิ้มได้กันทุกคนเอแต่พอเกิดความอยากแล้วห น, น้าตาไม่ดีซะแล้วหน้าตาไม่แฮปปี้นะออนี่แหละคือความจริงที่พวกเรา ไม่รู้กันทั้งๆที่มีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเราไม่เคยหันมาเข้ามาดูที่ใจเราเลยเราไม่เคยหันมาถามว่าใจเราทุกข์เพราะอะไรใจเราสุขเพราะอะไรเรากลับถูกความหลงหลอกว่าเราสุขเพราะเราได้เงินทองได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนแต่เวลาทุกข์มันไม่มันไม่สอนให้เราคิดเลยว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากเงินทองที่เราได้มาเนี่ยพอมันหมดมันก็ทาให้เราทุกข์ พอแฟนจากเราไปมันก็ทําให้เราทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีแฟนทําไมเราไม่ทุกข์อ่ะพอมาพอมามีแฟนแล้วพอแฟนไม่อยู่เรากลับทุกข์ได้ไงังไอทุกข์เพราะความอยากอยากให้แฟนอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เขาไม่อยู่กับเราไปเรื่อยๆเราก็ไม่อยู่กับเขาไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันดังนั้นอย่าไปพึ่งอะไรในโลกนี้อย่าไปพึ่งความสุขทางร่างกาย หัดมาเพิ่มความสุขทางใจกันมาถือศีลแปดมานั่งสมาธิเจริญสติพุธโธมาฟังเทศฟังธรรมให้เข้าใจในหลักของอริยสัจสี่ให้รู้ว่าทุกเกิดจากความอยากการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ทุกก็จะหมดไปการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีต่อไป นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พุทธเจ้าสอนให้เข้าวัดกันเพื่อม า, มาศึกษาและมาปฏิบัติหน้าที่นี้กันถ้าเรามากันอย่างอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องต่อไปเราก็จะทำได้มันไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรมันก็เหมือนกับการว่ายน้ําตอนที่เราว่ายน้ําไม่เป็นเรารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะแต่พอเราหัดว่ายไปตามที่เขาสอนแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ว่ายได้ขี่จักรยานใหม่ๆก็ไม่กล้าขี่ะ เพราะมันเห็นแล้วมันยากกูจะล้มอย่างเดียวแต่พอไปหัดขี่ตามที่เขาสอนเดี๋ยวเดียวก็ขี่ได้อันนี้ก็เหมือนกันมาหัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปสักพัก เ, เดี๋ยวก็ปฏิบัติได้พอปฏิบัติได้แล้วทีนี้เราก็สบายถ้าร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราสามารถมีความสุขได้จากการปฏิบัติธรรมฉะนั้นขอให้เราอย่าลืมวันพระกันพยายามถือ วันพระนี้เป็นกิจกรรมสําคัญที่เราไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยควรจะถือว่าเป็นหน้าที่อันสําคัญทุกวันพระสมัยนี้ถ้าวันพระของเราไม่ตรงกับของวัดเราก็เอาวันหยุดของเราเป็นวันพระแล้วไปหาวัดที่เขามีการสั่งสอนวิธีปฏิบัติธรรมก็แล้วกันเราก็จะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติวิธีสร้างความสุขทางใจกันการแสดงก็ คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอย่าทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเข ป, ปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอะระโสยธาเมณะโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะ อัพิวาธันสีลิตสนิจังอุทธาประจายิโนจตตาโรธัมมะวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา 327, YouTube 190, วิทยุออนไลน์สามสิบห้ารับฟังข้างบนนี้สี่สิบเก้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยหนึ่งครับผู้ติดตามอยู่ประมาณนี้ประมาณหกร้อยบวกลบสิบเปอร์เซนอยากจะเรียนถามทา่านใกล้ๆหน อ, อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องจิตนะครับ เ, เวลาอ่านหนังสือเนี่ย เวลาเราจะแยกจิตออกจากกายหรือพูดถึงกายเนี่ยจะพูดถึงว่ากายเป็นของเรากายก่ <Yeah. S 1> กายไม่ใช่ตัวเรากายไม่ใช่ของเราคำว่าเราเนี่ยลูกคิดว่ามันมีตัวตนตอนนี้พอเวลามาทาสมาธิแล้วก็พิจารณารมเนี่ยเลยคิดว่าจิตเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเป็นความคิด มันไม่มีตัวตนมันเป็นสภาวะธรรมไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่มีใครสามารถทำลายจิตได้ลวจิตไม่มีวันสูญหายแต่ร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟมันเป็นอันยิจจังมันเป็นอนัตตามีมีมีมีการเกิดแก่เจ็บตายแทนที่เราจะพูดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวของเราลูกเอาจิต กับร่างกายนี้มาเปรียบเทียบกันเลยได้ไหมเจ้าคะว่าจิตคือธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้มันเป็นความคิดส่วนร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟจะทํำยังไงก็ได้ขอให้จิตปล่อยวางร่างกายให้ได้ก็แล้วกันไม่ไม่ <c ười> คือคือไม่จะคือถ้าเผื่อพูดถึงว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วก็มันมีตจะคิดยังไงก็คิดทั้งนั้นถ้าให้ปล่อยให้มันไม่ไปยุ่งกับร่างกายได้ก็ใช้ได้ก็แล้วกันะ ถ้าคิดแล้วถึงเวลายังไม่ปล่อยก็เสียเวลาเปล่าๆคืออะไรก็ตามขอให้เราปล่อยอ่ปล่อยเมื่อไม่ใช่เราเราไปยุ่งกับมันทําไมมองร่างกายเราเหมือนมองร่างกายของคนนี้คุณปล่อยร่างกายของคนนี้หรือเปล่าปล่อยค่ะอ่าล่างร่างกายนี้คุณปล่อยแล้วยังอ่ะกําลังจะปล่อยอ่าก็ต้องปล่อยให้เหมือนกับปล่อยร่างกายของคนนี้อก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปรู้ว่าจิตอะไรทั้งนั้นเนี่ยรู้ว่าตอนนี้เรายึดหรือเปล่ายึดกับร่างกายหรือเปล่าค ถ้ายังยึดอยู่ก็ต้องปล่อยมันให้ได้ค่ะอโอเคครับแล้ว อ, อีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับจิตจิตนั้นมันเป็นธาตุรู้มันรู้เฉยๆแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปให้ความหมายกับจิตเนี่ยมันจะทำให้ใจเนี่ยเริ่มเริ่มกระเพื่อมไปคิดอย่างนี้มันไปปรุงแต่งมันเสียเวลาเปล่าๆ ก็รู้ว่ามันก็เพื่อมก็หยุดมันด้วยสติกันแล้วกันยิ่งไปคิดมันก็ยิ่งกบเพิ่มใหญ่ป้าไม่ใช่คือคือไม่อยากจะไปให้ความหมายของมันสมมุติว่าเราได้ยินเสียงเนี้ยบอกว่าเสียงพอเสียงปั๊ดเนี่ยมันจะหยุดเราไม่ได้ปรุงแต่งว่ามันเป็นเออเสียงเสียงคนนั้นเสียงคนนี้หรือเสียงอะไรแบบเนี้ยยกยกตัวอย่างนะคะเมื่อสองสามวันนี้ที่บนเขาชีโอนน่ะไฟมันดับตอนหกหกโมงเย็นดับมืดตือต้อเลยลูกก็ คิดอยู่คำเดียวว่าไฟดับจบไม่ต้องคิดต่อถ้าคิดต่อแล้วเดี๋ยวไปคิดว่าเดี๋ยวผีมาเดี๋ยวคนนั้นมาหลอกคนนี้มาหลอกถ้าถ้า ถ, ถ้าทำแบบนี้จะได้ไหมคะคือหมายความว่าแทนที่จะไปให้ความหมายของจิตเนี่ยว่ามันมันไปคิดอย่างนน้นคิดอย่างนี้หยุดมันแค่ตรงนั้นนะว่ามันสักแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นเสียงเราปฏิบัติเราก็ต้องรู้เองสิไหนมันใช้ได้แล้วใช้ไม่ได้มา คือคือใช้คือตัวเองรู้สึกว่ามันใช้ได้ใช้ได้ก็ใช้ไปเสียมาถาเราทำไมถามไม่ใช่คือคือคือคือกลัวว่ามันจะทําไม่ถูกอะนะมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกแต่มันก็ต้องรู้สรรทิติโกถูกก็ผิดถ้าตัวเองทำแล้วคือคือคือถ้าใจเรานิ่งหมายความว่าถ้าใจเรานิ่งใจเราไม่กระเพื่อมแล้วมันก็โอเคว่างั้นเหรอก็เราไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ที่มาปฏิบัติก็เพื่อดับความทุกข์ใช่ค่ะใช่ถ้ามันทุกข์เราก็หยุดมันท่านเอืง ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปคิดอย่างงงไม่ต้องคิดอย่างนี้ถ้ารู้ว่าใจเรานิ่งอย่างเดียวออโอเคใจเราเฉย อ, อย่างเดียวก็จบให้สักแต่ว่ารู้ไปท่านนเองไฟดับก็รู้ว่าดับก็จบแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าเป็นอะไรใครเป็นอะไรเกิด เ, เหตุการณ์บ้านเมืองมีสงครามมี มีก่อการล้านหรือเปล่าทําให้ไฟดุไฟดับไม่ได้ปรุงกับมันหยุดแค่นั้นนะคะก็ให้แค่สักแต่ว่ารู้กับทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันก็โอเคจบจบอย่าไปทุกกับอะไรพูดง่ายๆอย่าไปปรุงแต่งกับอะไรอีกปัญหาหนึ่งนะคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อปีที่แล้วท่านอาจารย์ถามว่าทําไมไม่ออกบวชเออมันมีบ่วงซึ่งทําให้เราออกบวชไม่ได้เพราะว่าสามีเนี่ยตาเขาไม่ดี เขาเริ่มตาจะมองไม่เห็นมีความรู้สึกว่าจะต้องจะต้องออดูแลเขาไม่ทราบว่าอันนี้กิเลสมันพูดหรือเปล่านะเจ้าคะแต่อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยอยากกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ไม่อยากจะบวชอยากจะเป็นอุบาสิกาแล้วก็ปฏิบัติธรรมการเป็นอุบาสิกาเนี่ยมันพอมันมีกำลังพอที่จะไปถึง ผลที่เราต้องการหรือเปล่าเจ้าคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นอะไรนะมันอยู่ที่ว่ามีกําลังปฏิบัติหรือเปล่าเป็นพระไม่ไม่มีกําลังปฏิบัติมันก็มันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีมีพระต้องกี่รูปบวชต้องกี่แสนรูปถ้าไม่มีกําลังปฏิบัติมันก็ไปไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระเป็นอุบาสิกาหรือเป็นแม่ชีหรือเป็นอะไรอยู่ที่ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นเองคือว่ามันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ มันอยู่ที่การปฏิบัติของเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราแต่ <c oughs> การที่จะปฏิบัติมันก็ต้องอยู่แบบนักบวชเท่านั้นน่ะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครถ้ายังไปยุ่งเกี่ยวคนนั้นคนนี้อยู่มันก็เป็นภาระขึ้นมาพระอ น, นุ์นี้ขนาดเป็นพระสุวดาบาลนนะไปยุ่งเกี่ยวกับการอุปถาพบพระพุทธเจ้าก็เลยยังไม่ไปถึงไหนเพราะไ่ผูกพันไปติดกับภาะกิจที่ได้รับมอบหมาย คือการอุปถาพระพุทธเจ้าอยู่ต้องยี่สิบกว่าปีพอพระพุทธเจ้าจากไปสามเดือนท่านไปปฏิบัติก็ไปหมดแล้วฉะนันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระเป็นคาลวาสเป็นอะไรค า, าราวาสที่บรรลุธรรมก็มีสามเณรบรรลุนนนธรรมก็มีอยู่ที่ว่าเขามีกําลังปฏิบัติหรือเปล่าอะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติคือสรุเ ป, ปเพียงแต่รูปแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันก็ ช่วยสนับสนุนถ้ายังต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่ถึงไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นอุบาสิกามันก็ไปไม่ได้พระบางรูปก็มาอุปถักรับใช้ครูบาอาจารย์พอครูบาอาจารย์ตายบางรูปก็สึกไปก็มีพอไม่มีภารกิจทำแล้วไม่เคยภาวนาก็อยู่ไม่ได้อยู่เป็นพระไม่ได้ก็ลาสิกขาไปก็มีบางรูปก็พอครูบาอาจารย์จากไปท่านก็ไป ไปเปริกเว่ยไปปฏิบัติของท่านท่านก็บรรู้ได้เพฉั้นแต่ละคนมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่การเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรอยู่ที่ว่ามีเวลาปฏิบัติแล้วปฏิบัติหรือไม่ท่านั้นเองมีเวลาปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่มันก็เหมือนกับ <c oughs> ไม่มีเวลาปฏิบัติคือคือ <c oughs> ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องอ่ตั้งแต่ตื่นจนหลับเอแล้วตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หมดที่มาเกี่ยวข้องกับเราเออ ร่างกายเราก็ต้องตัดร่างกายที่เราใช้นี่ก็ต้องตัดตัดหมดทุกอย่างตัดภายนอกก่อนแล้วก็มาตัดที่ร่างกายตัดที่เวทนาแล้วก็มาตัดที่จิตตัดที่อารมณ์ต่างๆมันต้องตัดทุกอย่างที่ใจเราไปผูกพันไปมีความยึดติดไปอาศัยให้ความสุขกับเราต้องตัดมันหมดให้มันให้มันอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องพึ่งอะไร แต่ตอนนี้มันยังตัดไม่ได้นี่คุณก็ไม่ได้ให้ตัดนั่ก็คุยกันถามกันก็บอกกันนะให้ฟังนั้นี่ยามันอยากจะตัดแต่มันยังตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไม่ได้เห็นตัดไม่ได้ก็ตัดไม่ได้เลยก็จะทํำยังไงอ่ะนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุนคุณตัดไม่ตัดคุณถามแล้วก็ตอบคําถามให้คุณไปเท่านั้นเองไม่ได้ไปไปไปจี้ว่าทำไมคุณไม่ตัดอะไรอย่างี้ไม่ใช่อ้นี่พูดแบบว่า เมื่อคุณถามว่าจะปฏิบัติจะบรรลุได้บรรลุไม่ได้อย่างไรก็เล่าให้ฟังเท่านั้นเองอเคส่วนคุณจะตัดไม่ตัดนี้มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเป็นคนที่พิจารณาอเองแล <ทำ S 1> ้ว<อ>จะทําขนาดไหน อ, อย่างไรเท่านั้นเองอเคค โอเคค่ะกลับขอพระคุณท่านแม่จันแม่คุณจิตติอ่าอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนี่พูดไม่ได้พูดเป็นเรื่องส่วนตัวม่ไม่ไม่ครับพูดเป็นเรื่องหลักธรรมพูดแบบสําหรับทุกๆคนคคแต่ละคนมีภาวะมีหน้าที่มีความผูกพันเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวค เป็นพูดอย่นี้แล้วเดี๋ยวทาให้ไม่สบายใจกันไหมบอกว่าอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้เราทําไม่ได้นก็จะไม่สบายใจอยากคิดอย่างนั้นครัไม่ค่ะทุก ม, <อ>มันมีเหตุผลที่มันทําไม่ได้เอ่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ค่ะแต่มันอยากทำอ่านั่นแหละมันอยากทําเนี่ย เ, <อ>เนี่ยมันก็เลยมันก็เลย บอกไม่ถูกอนั่นแหละก็บอกก็ก็เป็นเรื่องของเราก็แล้วกันนะะคเดี๋ยวบางคนเมามามาสูกพันกันแล้วแล้วมาว่าเรามาหาว่าเราอุยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะเพียงแต่เรียนถามท่านระอาจารย์ว่าเอจําเป็นไหมที่จะต้องจะต้องบวชก็อย่างเป็อบ้าบวชะนก็ตอบแล้วไม่ใช่ตอบแล้วก็จบค่ะขอบคุณ อยากจะถามเลยส่งมาทางนี้นะบางทีเรากลัวแล้วก็เราถอแล้วคนเขาจะมาถือเป็นการพูดเหมือนกันเราไปพูดว่าเขาเลืมไปอะไรเขาเราไม่ได้พูดอย่างนั้น เ, เราพูดว่านี่คือทางที่จะไปเนี่ยคุณทำได้หรือเปล่าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็เรื่องของคุณเราไม่ได้มาให้คะแนนว่า ทำได้แล้วเราจะจะชอบคุณจะอะไรถ้าทำไม่ได้แล้วเราจะเกลียดคนนี้ไม่มีหรอกไม่เกี่ยวนะโอเคกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะเนื่องจากลูกได้ฟังธรรมจาก เฟซบุ๊กแล้วก็ u t u b e แล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะวันนี้จึงอยากมาทำบุญและฟังธรรมจากพระอาจารย์ค่ะคำถามของลูกก็คื อ, อตอนนี้ลูกปฏิบัติในทานแล้วก็ศีลค่ะแต่ลูกยังไม่สามารถฝึกสติให้มีสติได้จึงอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางในการฝึกสติเพื่อนั่งสมาธิใ ห, ให้ได้เกิดความสงบต่อไปค่ะ การฝึกสตินี้เราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเนี่เราฝึกสติได้วิธีฝึกสติก็คือคอยดึงใจผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งริงใดสิ่งหนึ่งมีสองอย่างที่เราสอน ก, นกันก็คือผูกไว้กับร่างกายของเราหรือผูกไว้กั บ, บรรบาิกรมพุโทโธ คือเราต้องการที่จะหยุดความคิดให้ได้มากที่สุดพอเราตื่นขึ้นมาเราเลืมนตาเรามักจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็หยุดมันด้วยการใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังอยู่ในอิเดยาบทไหนกำลังทำอะไรเช่นกำลังนอนก็รู้ว่ากำลังนอนพอจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่าลุกขึ้นมานั่งพอจะยืนก็รู้ว่ายืนพอจะเดินไปทาธุระก็รู้ว่ากาลังเดินไปทาธุระ พอล้างหน้าก็รู้ว่ากำลังล้างหน้าแปลงฟันก็รู้ว่ากำลังแปลงฟันอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับร่างกายไปอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกวิธีด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติกายกตาสติถ้าเราสติไม่มีกำลังพอที่จะดึงให้มันอยู่ติดกับร่างกายมันยังจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แปงฟันไปก็ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ใช้คาบริกรรมพุทโธมาหยุดมัน แป่งฟันใบก็พุโทโธพุโทโธไปน้างหน้าก็พุโทโธพุโทโธไปถ้ามันไม่คิดก็หยุดพุดโทโธได้ถ้ามันจะคิดก็พุโทโธใหม่คำบริกรรมเราต้องต้องถีแค่ไหนคะพระอาจารย์ลุกหลงบกตามสบายถีช้าถีเร็วแล้วแต่เราแล้วแต่ว่า ใจมันจะสู้กับเราหนักหรือไม่หนักถ้ามันไม่สู้มันไม่คิดเราก็ไม่ต้องใช้ถี่ก็ได้พุโทโธพุโทโธไปสบายสบายพอมันจะบุกลุกมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็อาจจะให้มันถี่ขึ้นเป็นพักๆไปก็ได้พอมันหยุดเราก็หยุดได้เหมือนเบรกรถยนต์่ะเราจะเหยียบเบรคมากเบรกน้อยก็อยู่ที่รถมันวิ่งมากวิ่งน้อยใช่ไหมถ้ารถวิ่งมากก็ต้องเหยียบ ม, มากถึงจะหยุด ถ้ายดลดไม่วิ่งวิ่งน้อยเราก็เหยียบเหยียบน้อยมันก็หยุดนะสติเป็นเหมือนเบรกหยุดความคิดเป้าหมายคือเราต้องการที่จะหยุดความคิดแต่ยังคิดได้ถ้ามีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดก็ปล่อยให้มันคิดได้ถ้ามีธุระต้องทํำนี้นก็คิดได้แต่พอไม่มีธุระพอไปคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันก็หยุดคิดเหมือน าขอคคุณคะแล้วพอมีเวลาว่างแทนที่จะเปิดทีวีดูแทนที่จะไปคุยกับเพื่อนก็ลองไปหาหมุญสงบที่ไหนนั่งหลับตาเฉยๆแล้วก็พุทธโธต่อไปถ้าไม่พุทธโธก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกดูเฉยๆรู้ว่าลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกรู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมนใจมันจะเข้าสู่ความสงบไป ขพระ <en> คร่แล้วถ้ามีวันหยุดวันพระอย่างวันนี้ก็ไปวัดไปหาที่อยู่ที่สงบหรือถ้าที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีใครบรบกวนก็ปฏิบัติที่บ้านก็ได้แต่อย่าไปทํากิจกรรมทางร่างกายอย่าไปเที่ยวไปชอปปิ้งไปดูหนังฟังเพลงไปเฮฮาปาร์ตี้กับใค ร, ใครอยู่คนเดียวปีกวิเวกมาฝึกจิตมาฝึกสติสมาธิกันดีกว่าก็หมดเวลาพอดี